พาผู้ใหญ่ตอบดีกว่าเนาะอะหนูหน้อย อ, อยากให้ใครตอบไหคิดเลยให้ใครให้แปให้แม่ให้ป้าหรือให้ใครที่กป็นไหนตอบเนาะเรื่องหลง่อไหนอ่าอ่าตอบแบบที่กินเป็นกินแบบไหนแล้วก็แบบไหน รูด่สงานก็ต้อ ง, องไรีาอะไรอีกซึรียมลงไปแค่นี้อร่อยงานต้องอร่อ ย, ยอออด้วยได้หนึ่งคนต่ อ, อใไรยจะตออีกอธิอยาอีก จริงอะไรก็เปนโอเคถ้าชี้ไม่ได้ต้องตอบเองนะ <l ots> <g ül> อชี้เป็นแบบไหน รู้สึกไปยเปยอะอ่ะเห็นมนตอบคนคนก็เาเรียกว่าคนตะเวียนชั่นคนจะมุมมองมุมอมองแรกรู้สึกถึงอัติโนมีสันเคี้ยวสันคือหรือสชาติานี่ยมุมอมองของของเรียกว่า ของป่าขนะองวิถีของการเดี่ยวการกินที่มองมองเปมองถึงถึงประโยชน์ขึ้คค่าของอาหารใ จ, ใจเปิ์เวียคุณผู้ชายอาจจะรู้ว่าชอบในรส่าถค่าจะไม่ชอบ <c oughs> อรู้สึกองความชอบ รู้สึกความรู้สึกของจิตรู้สึกความรู้สึกของจิตก็คืรู้ใจเราว่าทานไปชอบหรือไม่ชอบหรือว่าเฉยแบบนี้เนาะอันนี้ก็มุมที่ตามนะเห็นไหมคนแล้วคนต้วมุมีอีกไหมเฮ้ยไม่ต้องดลบเนาะมือน้อยคนนี้ต้องเก่งคอนี้มาสึกหลายี หนูชิดว่ายังไงตัวฮะตอบตอบหนูพ่อดีถ้าไม่ตอบให้ใครตอบเป็น <c oughs> ใครแม่หนูเออดีมากให้แม่ตอบแทนอ่ะแม่คือหมาตั้แรกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนุว่มาปฏิบัติครรมใส่ตาดูนลูกเป็นยังไงบ้าง ดีขึ้นโตขึ้นกว่าเดิมความคิดเสลีไขนไเปลี่ยนยังไงบ้างที่มื่อก่อนดื้อมากเลยอ๋อแตนี้ดึ้อมากกว่าเดิมก็เ่อก่อนฟูดก็ไม่ค่อยเชื่อ เวฟังมากขึ้นี่มากขึ้นหรืน้อยงอยอม่กี้กินท้าวเป็นอย่างอะกินท้าวเป็นอย่งอายงกินแบบไหนกินแบบแลรู้ว่าเราทานอะไรอยู่เหมือนกินทานอะไรอยู่มว่าทานเนื้อทานปลาทานปักตรงนี้หรอะแล้วทานเื่ออะไรทานเพื่ออะไร แล้วนะ อ, อันนี้ก็ผสมกันไปนะรู้รายละเอียดเลยกินอะไรเป็นข้าวเป็นสาปเป็นขับกินเพื่ออะไรเนาะมีใครจะเซอร์วิสเนี่ยอาจามาก็เคยโดนถามแบบนี้นะเคยไปไปกราบครูบาอาจารย์ที่ที่คอนแกรดท่านถามกินข้าวเป็นยังนอนเป็นยัง เราก็ตอบแบบไมีนั้นมากเราเบอกพอเป็นครักนั่นก็มไม่ถามตอบนะแต่เราต้องกลับมาถามไปเองนะหรือว่าเรากินข้าวเป็นหรือยังนะก็พิจารณาเลยนะแต่มาคิดว่ามันก็ถูกทั้งหมดที่ที่ตอบนะแต่ก็ถ้าเราเห็นว่าไอ้ที่กินข้าวได้เป็นมาจากไหนมันก็มีหลายอย่างใช่ไหม มันตอรด่านแบบอันที่มาแยกให้แยกให้ดูใช่ไหมสามคําตอบอย่างแรกก็ดูดูอาการของกายที่กําลังกินใช่ไหมอ่าตอบว่าเลยร <c oughs> <c oughs> เอ อ, อันนี้ก็ถูกใช่ไหมเพราะว่าอะไรถ้ากินไม่พอดีเป็นอะไร <c oughs> ถ้ากินมากเกินไปเรียกว่าอะไร <c oughs> กินมากเกินไปคือ ั uh ่างการเปนแบบไหนจุก huh. อ <c ười> oh, okay. uh ้วกอ้วกไหมเคยได้ยินชื่อชกไหมชื่อชกกินมากแล้วเป็นไงโอ้เก่งมากรู้จักชืชกด้วยอยาเป็นชื่อชกนะถ้ากินน้อยเป็นแบบไหนหนูแต่ได้ยินเรื่องเรื่องราวนางแบบที่เขาผอมไม่ก็กินแบบเป็นแบบไหน รู้ไหมมีคนกลัวอ้วนกินไปแล้วก็ร้วงคอตัวเองให้อาเจียนออกมาเพราะกลัวอ้วนกินน้อยเกินไปเกินไปก็เป็นโรคใช่ไหมนี่กินพอดีผิดวดีมากอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งเนี่ยที่ถูเหมือนกันนะกินพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปกายใช่ไหมการกินก็ดูกายว่าเคี้ยวอย่างไรกินอย่างไร ก็ดูการเครี้ยวดูการอะไดูของกายรู้รสชาตินะเดี๋ยวมาบอกดูคุณค่าของการกินนั่นะเป็นอยูรู้ทันใจไม่ใช่ว่าบังคับให้มาคิดเลยนะชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้ใช่ไหมแต่จริงถ้าจะเสรมิมบางทีบางทีเราก็รู้เลยว่าไอ้ที่คิดมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการกินเล ย, เยชอบไม่ชอบเรื่องอาหารแต่ทีก็ฟุ้งซ่านไปใช่ไหม กินไปก็คิดไปเรื่องงานนะกินไปคิดไปเรื่องแฟนเรื่องลูกใช่ไหมเรื่องบ้านก็เห็อนกระอ้อใจเราแม้การกำลังกินอยู่เสร็จใจก็ลอยไปหรือใจเป็นปกติอยู่ก็รู้ใจเป็นปกตินี่คือการู้กายรู้กา ย, ร, กายรู้คุณค่ารู้ใจรู้ประมาณในการบริภโภคเรียกว่ า, าภาษาพารีว่าโพชเนมัสตันยุตา อนะก็คือรู้จักประมาณในการบริโภคก็มีนะบางทีมีพระรุ่นหนึ่งตอนบวชใหม่ท่านไม่รู้จักประมาณบริโภคนะท่านยึดติดกับเรื่องอะไรแต่ก่อนบางทีมันก็มีข้อดีนะอย่างพ่อแม่บางคนก็สอนให้เด็กทานข้าวให้หมดจานทุกเม็ดไม่ให้เหลือใช่ไหมถือว่าก็ดีแต่พอบวชเป็นพระพระรุ่นนี้ก็ติดนะพ่อแม่สอนให้ทานข้าวหมดทุกเม็ดพอ ไม่ได้ขานข้าในจานอันนี้ทานข้าวในบาทจะ <c oughs> ต้องไปทานมื้เดียวด้วยนะมันก็ความกลัวว่ามันจะหิวก็ตัดสักครึ่งบาท <c oughs> รกลัวจะหิวพอทานไปไม่ถึงครึ่งบาทเหลือสักต้อมาหลายสิบคำมันมันอิ่มแล้วอะไรล่ะเราอิ่มแล้วแต่ข้ายวยังเหลือจะเลือกแบบไห น, นจะทานให้หมดทุกเม็ดเหมือนพ่อแม่สอนหรือว่าจะทานหรือว่าพอแล้วเอาไปิ้ี พระพโยมจะเป็นแบบไห น, ไไ น, นอแต่ว่าหนูฉลาดกว่าพระรูป น, นั้นอืมพระลูปนั้นนะท่านท่านจิตจิตที่ต้องทานให้หมดก็เลยสื่อถานจนกระทั่งแน่นจบทําแบบเนี้ยบางมันก็คอดีบางมันก็เบือแล้วแบบเนะเพราะว่าอะไรเป็นจิตในแมดจิตในสิ่งที่ดี ก็ยังเกิดทุกเกิดโทษในชะ่ไมหมยึดติดไม่ต้องทานั้่หมดต้งทานไม่หมดก็เกิดโทษแต่ถ้าเอาประสบการณ์เช่นวันนี้เราตักมามากมันก็เลยไม่หมดเ้ามาเกิดแล้ ว, วันพรุ่งนี้แต่ตักให้มันน้อยลงแบบเนี่ยเกิดปัญญา <c oughs> แ ต, ต่วันนั้นถ้าเขาทานไปเพราะว่าเพราะว่ามกลัวกลัวไม่ดีก็เลยต้องทานให้จุกกายก็ไม่พอดีนั่นะก็เกิดโทษนี่ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้เราเห็นว่าบางทีไม่แต่การผิดดีก็ทำให้เราทุกได้อแต่บางทีไปเห็นบางที่นะเขาทาเหลือเยอะแยะนะเขาให้เหลือเยอะแยะดีไหมเหลือเยอะแยะดีไหมไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรขวดจะได้เข้ามาแต่เราจะที่ยากไหมอยากนะนั่นแหละเหลือเยอะแยะก็ไม่ถูกไต่เหลือ ทิดใหม่ได้ไม่เป็นไรใช่ไหม น, น, นะนี่ก็คือรู้จักคุณค่าครับถ้าเราลองพิจารณาดูประทานเป็นไหมกินเป็นไหมเราสังเกต ด, ดูนะดูกายบ้างดูใจบ้างดูประโยชน์ดูคุณค่าดูปฏิมาณดูแต่หลายอย่างแล้วก็รู้ทันกรงนี้นแหละใค่ ท, ที่มันต่ามแบบนี้แสดงว่าถ้อเราคิดไม่เป็นเราจะกินเพื่อให้ร่างกายเติบใหญ่กินเพื่อประดับ ใช่ไหมบนงทีราา้านค้าต่างๆอลอกร่อให้เราไปกินเพราะว่าอะไรกินแสงกินสีกินดนตรีกินอะไรบ้างต้องไม่รู้นะใช่ไหมมันก็ดอกเราไปกินใช <c oughs> ่ไหมดีมากที่รู้ทันนาโตขึ้นไปอย่าหลงให้เขาหอกรอดนะ เราก็ดูเนาะกินเป็นหรือเปล่าเราลองดูตัวเองเดินเป็นหรือเปล่านอนเป็นหรือเปล่าอะไรเนาะนอนเป็นหรือยังกินเป็นที่จริงกันเจรสติมันเป็นเรื่องใจตัวเป็นเรื่องง่ายๆแค่นี้แหละคือการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นจนหลับเราใช้ชีวิตแบบไหนอย่างมีสติใช้ชีวิแบบไหนอย่างขาดติเนี่แหละคือการเปลีสติเนาะ นั่งจะมีก่อนแล้วกันเนาะอยากจะรูกก็ดูใจของเราเอนใช่ไหมง่วงก็หาวิธีแก้เนาะหาวิธีแก้บันเทาบำบัดเห็นเป็นกายเป็นสิ่งที่ถูกใจรู้เห็นความคิดเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกใจรู้ เช่นนี้นะมเมื่อบางครั้งหลงเข้าไปเป็นก็ถ อ, อนออกมาคึอผู้รู้หม่เดี๋ยวจะให้กรดูเรื่องสัง้นในน้ำมันหนักเปรียบธารมในธดีๆแล้วก็อา จ, อ จ, จรายรย์ทูตจะชวนพวกเราแลกเปลี่ยนชื่อปุ๋ยในทางธรรงนิทานนั้นด้วยมีเด็กมาดูะจะเปิดธรรมให้ดู ก็อยู่ได้ทุกวันเราอยู่กันเปัน ช่วยขับพาบนออกเดินทางมุมตึนเต้นกับบรรยากาแปกใหม่รอบรอบ่วนวถนัดเดินทาาไปกับสายน้าปลายมุมที่แหลมคงสวยนามก้อนนัดกับซอบหินจนแตกดินบางครั้งมุมกระแทกรากไม้กระทบหินก้อนเหลี่ยงคมของ รบกวนเสียงอื่นใต้นะ้าจนเกิดมีเสียงตำหนิต่อว่าหล่างรุนแรงดังขึ้นดังขึ้นมุ้งไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยนอกจากเสียงต่อว่าต่อขานทางที่มุ้งไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนใครไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ใครเรือนร้อนและมุ้งเอง ก็ต้องเก็บตัวครั้งแล้วครั้งเล่ามุมรู้สึกเศร้าและโดดเดี่ยวจึงได้แต่เฝ้าดูบรรการก้อนกรวดต้นะ้ำที่พากนกลิ้นตัวไปมาตามกระแสนะ้ำกรวดเม็ดกลมมนร่าเริเปิดบานก้อนกรวดเม็ดกลมไม่มีคมแหลม ที่จะทำให้ใครบาดเจ็บมันกลิ้งไปกลิ้งมาไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนอะไรเงิงอยากเป็นเหมือนก้อนกลวดมุง่งจึงเฝ้าขัดตัวเองทุกวี่วันเฝ้าฝลมุินแหลมที่แป่งิั ยอมให้สายน้ำพัด ก, กลิ้งไปมาใต้ท้องน้ำวันแล้ววันเน่ามึ้งไม่เคยละความพยายามจนวันหนึ่งมุ้งรู้สึกแปลดใจที่ตนเองรู้สึกสบายตัวมุงไม่เจ็บปวดออแล้วเสียงตําที่เคยดังอรอบตัว ก็เบาลงจนไม่ได้ยินติดต่อไปโลก อ, อกมุนเนียบสงบอยู่ในทัรมชาติในที่สุดมุมก็เหลือเพียงตัวกลมๆไร้เหลี่ยมมุมที่สวยงามแม้มุมจะไม่ใช่ก้อนหิงพิเศษที่งดงามติดต่อไปแต่มุก็มีความสุข และภูมก็มีความสุขตลอดมา คืนนี้จะมีเหมือนกับเพ้่อนรวมามีวงคุยกันสนทนากันอางนี้นะฮะก็เลยในทีมสตาฟก็เลยจัดทำให้เป็นหนังต้นๆนี้ขึ้นมาดีไหมครับดีเนาะ <c oughs> ดีดีคิดว่าเขาเปิดโอกาสให้แต่และคนได้มีจินตนาการของตัวเองเนา ะ, ะถึงถึงหินก้อนเดี่ยวที่แปลกไปตรงนี้เนี่ย นะครับาแต่ละคนแต่ละคนช่วยกันมองมีมุมของตัวเองที่ว่าไม่มีถุงไม่มีสิทธินะฮะเด็กๆก็อาจจะมีมุมหนึ่งผู้ใหญ่ก็อาจจะมีมุมนึงนองช่วยกันเสนอใ ห, ให้ให้เรื่องนี้ดูดีเพราะว่าเนื่องจากอาจารย์เทีนสารเองก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวอาจจะกนี้ไปก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ไม่เคยดูเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นการเตรียม อาไว้ฉายจะทำมาถ้าสามปีที่แล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสใครเห็นจิ้นแหลมก็อนนี้แล้วนึกถึงอะไรบ้างไม่นึกถึงอะไรเลยเหรอจิ้งจ้าต้องนึกถึงอะไรสักอย่างนะไม่นึกถึงอะไรเลยเหรอ นึกถึงมาที่บ้านหรือกลับไม่ึถึงหรเห็นหญิงก็ไม่นึกถึมาหรอกครับอ๋อก็หลวงพ่อก็ึกว่าเป็นเกี่ยวกันนะคะอ้าเห็นไหมอย่างนั้นก็เห็นหญิงเป็นของกินละ ก็ในในส่วนในในส่วนที่เคยเหมือนกับตอนที่เป็นเป็นเด็กๆนะ mm. ก็เคยเคยเป็นคนที่เรียว่าปักวันะฮะปากวัยแล้วก็เหมือนกับเราก็จะรู้สึกว่าคำพูดของเราเนี่ยเป็นคำพูดที่ทันคน <c oughs> กับว่าทันคนนะฮะก็คือเหมือนกับ ถ่ายพูดมาแล้วก็ก็เรียกว่าแปลเป็นความคิดแล้วก็กลับออกไปได้รวดเร็วซึ่งจริงๆแล้วคำพวกนี้บางทีก็ในมุมในมุมมองในมุมมองนักมันนี้นั้นก็เป็นคำที่เหมนกับเป็นคำยอบเย้อนนะเนาแล้วก็เป็นคำที่อาจจะทำร้ายคนอื่นที่เขาพูดเขาพูดอะไรเสนอมาสักอันก็ ตรงนี้นะว่าโดยโดยภาคของตัวเองเราจะมองมองถึงนี่นี่โดยโดยบทบาทของของตนเองนะะแล้วก็พอเรามองกลับไปที่เด็กๆก็ถึงวันนี้เองเด็กๆก็ยังมนการเหมือนกับต่อปากต่อคำเนาะต่อปากต่อคําแบบเดียวกันอย่างเงี้ยก็ดูเป็นที่สนุกสนานบางทีมีใครพูดมาก็เหมือนกับใช้คําพูดในเชิงสอนเสียดใช่ไหมฮะ ที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกอาจจะแบบรู้สึกยังไงอย่าง <c oughs> เป็นเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายแท้นะ <c oughs> เป็นฝ่ายแท้ใช่เขาพูดลบ ก, กัน <c oughs> ใช่ก็าพูดลบ ก, กันตรงนี้ก็บางทีก็อย่างทีบงทีเขาก็บอกนะบางทีก็ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจงไม่ได้คิดมาก ไม่ได้คิ ด, คดไม่ได้คิดถึงผลอะไรมากมายแต่ว่าเขาเรียกว่าก็ทําไปเรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราเจ๋งกว่าเนีแต่ว่าในความเ็นจริงแล้วการที่เขาเรียกว่าเอาแพ้เอาชนะกันตรงนี้มันก็ไม่ค่อยดีเนาะอย่างนนะีไม่ค่อยดีในในในสังคมทุกวันนี้ก็จะมีเรื่องการเอาแพ้เอาชนะกันก็มี เรื่องที่ขัดแย้งกันในสังคมแล้วก็พระจําทร์เทานะก็เคยพูดคําสั้นๆอยู่คำนะอืมแค่เห็นไม่ตรงกันนี่ต้องท่ากันเลื่อนนะเลื่นนอนในระดับ universal ในในสังคมก็เป็น ค, คล้ายๆอย่างนี้นะเห็นไม่ตรงกันจะเอาไปเอาตายกันมากๆเลยนะแล้วก็ <laughs> ก็ตายกันมก้มากด้วยนะฮะตายอย่จริงจง <laughs> แล้วก็ทำลายไปจริงจริงซ <c ười> ึ่งกรณีในในส่วนตัวพอลเห็นหนังเรื่องนี้นก็คิดถึงเรื่องนี้นะคิดถึงเรื่องนี้มีใครคิดถึงเรื่องไหนยรื่องไหนกันบ้างจะช่วยกันช่วยกันมองช่วยกันมองเพราะว่าบงทีก็เรื่องพวกนี้ก็เป็นประโยชน์นะฮะเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันก็ในการโจหัวของเขาต้องบอกว่าอ ถ้าหากว่าคนเราดัดแปลงตัวเองใช่ไหมฮะดัดแปลงตัวเองก็จะทำให้สังคมรับข้างดีขึ้นคนที่ทําพูดเองจริงก็ได้พูดถึงตรงนี้นะฮะว่าถ้าสมมติานว่ามันมีโลกกับมีเราเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากเปี่ยนแปลงโลกเนี่ยตรงนั้นก็อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองตรงเนี้ยก็คิดว่าเป็นไปได้แล้วการเปลี่ยนแปลงตัวเองตัวนี้คืออะไร จะเปลี่ยนแลงตัวเองในเชิงของการที่เราเปลี่ยนให้ตัวเราไม่ทูกขไปกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใช่ไหมฮะตรงนี้ก็คือไม่งั้นมุมมองของเราถ้าหากว่าเรามองในเชิงนักอนุรักษ์เนาะเราก็เป็อย่างหนึงความเปลี่ยนแปลงแต่เป็นความเป็นจริงแล้วความเปลี่ยนแปลงเราห้ามได้มันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไ้ยฮะเพราะนั้นก็คือทำอย่างไรเราติจะอยู่ความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอย่างที่เราไม่ทุกท่ายสุดก็ต้องมันริ่นต้นที่หลัง หลวพ่อผู้เขียนก็เคยมีคำถามนะฮะแบ บ, บมีคำถามว่าสังคมดีอยู่ที่ไหนสังคมดีอยู่ที่ไหน <c ười> มีนะครับมีสังคมอุดมคติอยู่ตรงไหนมัน <c ười> หรือว่ามีสถานที่ไหนหรือว่าสังคมดีเต้ามีอะไรหรืออะไร เ็นคำถามหรือว่าหรือว่ามันจะก็มีคำถามอันนี้อยู่ดีนะฮะจังกรมดีอยู่ที่ไหนดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ที่จานอยู่นะฮะอยู่ที่ตัวเราก็อยู่ที่ตัวเราเลายทีมากๆเลยก็ก็นี่ฮะก็นี่นี่คือสิ่งที่ หลวงพ่อก็บอกสังคมดีอยู่ที่ไหนสังคมดีอยู่ที่คนและคนดีที่ไหนใช่ไ้มฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะมองไปรับอกตัวไม่ค่อเห็นคนดีนะคนดีอยู่ที่ไหนหลวงพ่อเห็นว่าคนดีต้องอยู่ที่เราให้เราเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนถ้าเราทุกทุกคนเริ่มต้นที่ตัวเราเนี่ยสังคมจะมีคนดีเยอะๆหมดเลยแต่ถ้าเราเกิดมองหาใช่ไหมฮะส่วนใหญ่นะเราอาจจะหาไม่เห็นนะแเราส่วนใหญ่ ก็เรียกว่าในสังคมเราก็จะใช้ใสายตามองไปข้างนอกแต่ถ้าทางพุทธเนี่ยเราจะมองกลับมาที่ตัวเรานะตรงนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางพุทธจะเน้นนะเน้นตัวเราหลวงปู่ชาเคยเคยพูดอยู่คำหนึงบอกว่ามีคนถามว่านเนี่ยทำไพระเนนในวัดทำไมคนนั้นจะอยู่นั้นทําไมคนนี้ไปอยู่นี้เนี่ ย, ยหลวงปู่ชาก็บอกบอกว่า เอาใส่ตาแล้วกลับมามองตัวเองอย่างสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วมองตัวเอ่สักห้าเปอร์เซ็นตก็ตนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับใช้ในหนังนี้เอานะฮะว่าเออใช่ไหมฮะให้เราให้เราเปลี่ยนัจเองแล้วท้ายที่สุดมุมเรา็ยอมรับข่มนะใช่ไหมฮะยอมรับคงมแล้วแล้วก็อยู่รอดกคนอืนได้ดีนี่ก็เป็นมุม เมุมมองมุมมองนะฮะมุมมอเราเป็นมุมมองในน้ำใสๆใช่ไนะครับกันเลยผมผมก็เห็นก็ครูในเรื่องของการพัฒนาจิตใจเนาะเหมือนใจความแรงขงลมก็เหมือนกับสิ่งที่ อาจจะไม่ใช่แค่บาทรตอื่นบาทตัวเราด้วยเวลาเราเวลาเราโกรธเวลาเราด่าคนอื่นเนาะจริงมันก็เหมือนเราต้อเผาตัวเองด้ยเนาะอะเวลาเราทำอะไรไม่ดีมันต้เหมือนมันก็คอยทำให้จิตใจมันก็เศร้ามองไปเรื่องคือจิตใจเราทุกมันก็การที่ลบเหลี่ยมลบงลบกิเลสกัะจิตใจก็ก็เป็นเรื่องของการขัดเราแล้วก็เป็นเรื่องของของการพัฒนาจิตนะแต่ แต่ผมก็เห็นหมุมหนึงซึ่งแต่บางทีเราก็ไม่ใช่ทำเพื่อที่แค่ว่าไม่ให้เขาดินทาหรือให้เขาเนเฉยๆหรือว่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสเท่านั้นเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วสังคมความเป็นจริ ง, อ า, รงอาจจะไม่เหมือนแค่นิทานเรื่องนี้ใช่ไหมบางทีเราจะลบมุมของเราเสจนทั้งดีถึงที่สุดแล้วไม่มีมุมแล้วเป็นก้อนขวดธรรมดาแล้วแต่ก็จะ ม, มีคนดินทาอยู่ก็ยังมีใช่ไหม มีคนฟองร้ายอยู่ก็ยังมีเป็นธรรมดาแต่จะบอกว่าทําไมล่ะเราดีแล้วเราไม่ทาร้ายใครทําไมเขามาว่าเราหยีเราก็ว่าเรไม่ได้เพราะฝั่งบางทีบางทีเราก็ห้ามตัวได้นะแม้เราจะไม่มีมุมเลยเป็นก้อนปวดธรรมดาแต่บางทีไปกระทบใครในสูกใจใครแล้วเขาอาจจะไม่สูกใจก็ได้เขาจะเห็นผ่าเป็นธรรมดาไม่อย่างสมมติอย่างผู้ว่าเจ้าหรือผูเจ้าท่านก็ ขัดเกลารู้จิตใจท่านขนาดไหนแล้วไม่ได้ไม่ทําร้ายใครมีเมตตากับคนมากมายแต่ก็มีคนตามด่าท่านเป็นวันก็มีมีคนจะทําร้ายฆ่าท่านก็มีใช่ไหมฮะเออแต่ว่าแม้แต่คนที่ลบ ม, มุมหรือว่าจนนักกิเลสมันหมดไปแล้วก็ยังมีคนที่นินทามีคนฟอกร้ายก็ยังมีฉะนั้นเราก็เห็นว่าอ๋อมันก็เป็นมันก็เป็นแบบคล้ายๆก็เป็นสองด้าน ด้านนี้คือการกขัดเราจิตใจของเราแต่อีกด้านภายนอกคนทีเราก็ห้ามไม่ได้บางคนก็เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นบคนก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นใช่ไหมแล้วก็เลาก็เป็นมุมมองของแต่ละคนที่จะเกี่ยวข้อกันไปหรือมีนิทานเร่อนึงนะจะเล่าให้ฟังเขาบอกเป็นนิทานทีมเขาบอกว่าอ่าลูกลูกชายคนหนึ่งก็าปวดเขบว ด, บวดแล้วก็ออกพรรษาก็เจ็บติดนะ ไม่ใช่ในทางกีนหรอือทางไทยนะพอออกพรรษาเขาจะสึกสมัยก่อนนี้ภาหาระ อ, อ, อื่นๆก็ไม่มีก็ก็ใช้ใช้ม้าเป็นภาหาระพอก็ลูกชายคนเดียวกจะสึกออกมาก็ดีใจก็เอาม้าไปรับลูกพ อ, อลูกสึกออกมาป่าปลาพระปุกประชาอาจารย์ที่สึกให้ก็รับกลับมาบ้านก็ด้วยความที่เห็นว่าลูกชายอ่า เพิึกมามีความรู้อะไรต่างๆมากก็ให้ให้รูกชายนั่งบนม้าึกิดอ่อจูงมา้าเดินไปเดินทางกลับบ้านก็คืออยู่คนละหมู่บ้านสองบ้านตนั้นก็มีบ้านแรกนะชาวบ้านใหมู่บ้านแรกเห็นเห็นเช่นั้นว่าอ๋อข้อินทาหรือว่าข้อตำหนิพูดได้ลอยไปว่า อ, อ, อุตสาห์บวชต้องมาสามเดือนเสียเข้าวฉุกนะโตเป็นหนขณานี้แล้วจะให้พ่อ เดินแต่เองนั่งบนหลังม้าพอข้อลูกคนนั้นได้ยินก็เขาว่าอย่างนี้เหรอก็ได้เปลี่ยนกันก็ได้เปลี่ยนกันพ่อก็เลยขึ้นไปบนหลังม้าแทนจนลูกชายก็เดินไปข้างบ้างพอเดินผ่านไปอีกหมู่บ้านหนึง่งชาวบ้านเขบอกว่าเป็นพ่อภาษาอะไรลูกเพิ่งศึกมามีใหม่ ลูกเดินต่าแดดด่าฝนกิดข้อไปนั่งบนหลังม้าสบายอพอลูกคนนี้ก็ออาอ้าวทำไมมาว่าแบบนี้อีกเอาอย่างนี้ดีนะเราก็เลยตันนี้ก็เลยบอกว่าเอางั้นงั้นเราก็ขึ้นมา้าทั้งสองคนไปดีกว่าเอพ่อก็าขึ้นลูกเขขึ้นอก็เดินไปหนู่บ้านนึงก็เจอคนบอกว่าพอ่อลูกคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยม้าก็ตัวเล็กๆไปขึ้นทั้งสองคนได้อย่างไร <c oughs> ก็สงสารหน้าสงสารม้าเนาะพอรู <c ười> <"K h ôi> <c ười> e ้ว่าเออก็หน้าสงสารจริงนะลงดีกว่าก็ยืนไขตาจึ้งก็เลยเดินจึงม้ากันทั้งสองคนเดินผ่านหมู่บ้านนึงก็บอกว่าพอรู้คนนี้ก็โง่เนาะม้าแต่ไม่ยอมขึ่งเดินจึงไปเฉยทำแบบไหนก็ผิดนะอำแบไหนก็มีคนยินท่าแบบไหนก็แล้วแต่มุมมองแต่เราสงสารกันเนาะอืมันก็ มันก็เห็นว่าเออแต่ถ้าเราคล้ายเราไม่ฟังก็ไม่ถูกหรือเราฟัง ม, มากบางทีก็ไปเสียใช่อหมอนี่นก็เป็นมุมมองที่เราแลกเปลี่ยนกันเนาะแต่บางทีเราก็เห็นถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทําว่าเป็นทางที่ถูกเป็นทางที่ดีมาบ้าดีแล้วเนาะอย่างหลายคนอนะ่ะปฏิบัติทำนะสี่เพื่อนมองเว่อเธอทํมมากทำโมเหลอเกินเ <c oughs> นะี่ยเราไม่ยังไงก็ก็พูดไปแล้วก็ เราไม่ตั้งใจจะทำมัดทำโมอะไรเราก็แค่เพียงแค่เราอยากจะฝึกผัดจิตใจของเราหรือว่าเราอยากจะทาให้ทุกข์เน้อยลงหรือว่าเราเห็นเป้าหมายว่าเป็นคุณค่าแบบไหนใช่ไหมแต่บางคนมีคนมองว่าเราแปกไปจากเพื่อนทั้งๆ ท, ง ท, งที่ความแปลกของเราเึกนาที่ถูกใช่ไหมเราก็ขาดความมั่นใจไปบา <c oughs> งทีตอาศัยเรียกว่าอะไรอาศัยเทศอาศัยข้านิยมถึงจะทำํำตามกันแบบนี้ใช่ไหม ถ้าข้ามียมันดีเออหุนก็ดีทำตามกันในสิ่ที่ดีก็ดีแต่บางทีถ้าข่านิยมมันไม่ดีแต่เราก็ตัดทำตามข้ามียมไม่เป็นแบบยังไงนช่ไหมทีนี้เราก็ไปทำที่ไม่ดีอันนี้ก็เป็นมุมมองในที่เห็นนะเห็นว่าในส่วนตัวเองก็มุมมองก็เป็นการลบลบสิ่งที่จะจะทําร้ายตนเองก็ทำร้ายผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แต่อีกมุมนึงก็ต้องทําใจด้วยว่าแม้เราจะพยายามขนาดไหนแล้ว ก็ย่อมมีโลกธรรมซึ่งเขายินพาสระเสริญเข้าใจไม่เข้าใจเป็นธรรมดาเราห้ามไม่ได้เราก็ต้องมีปัญญาในการยอมรับตัวนี้ด้วยไม <c oughs> ่ใช่ว่าต้องเราทําแล้วทำไมเขาไม่เข้าใจอันนี้คือมุมมองของตัวเอง ท, ที่ที่เห็นในในเรื่องมุมเรื่องนี้แล้วก็ในมุมมองของชีวิตด้ว <c oughs> ยนะมีใครอยากจะเสริมอาตมาก็ได้นะคงไม่ใช่ผูกผิดหรือว่าเป็นการสอนแก่ เป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะอาตมาก็ได้เปลี่ยนพระจางตุ้มก็ได้เปลี่ยนมีใครจะได้เปลี่ยนเห็นมุมไหนอีกหมหรือยังคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรเนาะไปค่อยๆดูไปดูอาจจะยแค่ดูเรื่องมุมเมื่อกี้ไปดูไปดูชีวิตของเรานาะโดยชีวิตของคนอื่นได้แต่ ลองกลับมาดูใจเราดูว่าเป็นแบบไหนเรื่องมุมก็เป็นแค่ตัวอย่างที่เราให้เราได้เห็นคล้ายเหมือนอย่างที่เมื่อกี้แต่ได้ไมาถามเรื่องเค่เรื่องกินก น, นะนะเราก็มีมุมมองในการชื่อว่ากินเป็นยังต่างกันสี่ห้ามงใช่ไหมอันนี้ก็พอเราได้ได้เปลี่ย น, นเรียนรู้กันก็จะเป็นประโยชน์นะไม่ใช่ว่าอะไรผิดหรืถูกแต่เราก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันแบบนี้มนะั แต่มันก็มีอยู่สิ่งที่มันไม่ถูกทำไม่ถูกทางมันก็มีสิ่งไหนที่ถูกบางทีก็ถูกหลายอย่างก็มีนะถูกหลายแบบก็มีอย่างเมื่อทีเนี่ยไม่ใชเรื่องปฏิบัติธรรมที่ลู้สิตลูกค้าก็ไปเถียงกั น, นไม่ใช่ไปไปผงกันครูบาอาจารย์เราดีกว่าครูบาอาจารย์เธอวิธีแบบเราดีกว่าวิธีทางเธอเนะี่ยมันก็เป็นการผงกั น, กนที่ไม่ใช่แนวทางครับนะ อมันก็เป็นแนวทางถ้าออกแบบทุกได้ก็ถูกแล้วนะแต่ถ้าแนวทางไหนันอาจจะเรียกว่าอาจจะไปยึงที่สุดหรือว่าหรืออาจจะแค่ได้ระดับหนึ่งแบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าผีดหรอกจริงๆก็ไต้องเสริมต่อให้มันถูกทางให้มันเรียกว่ายกระดับให้มันสูงขึ้นอนี้ก็ได้นะถ้ามุมหมดนะจะให้ดูอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะตั้นๆเหมือนกัน หลายคนอาจจะยังไม่รู้ ว้าใหญ่จะมีอะไรที่น่า ตัวนิ่งอดทนจริงๆตัวนิ่งอยู่ได้นิ่งตัวนิ่งนิ่งได้จริงๆตัวนิ่งนิ่งได้นานๆแม้จะร้อนเจ้าฝนจะหนาวตัวนิ่ง ตัวให้นิ่งนิ่งแล้วเบิบานตัวนิ่งทางใจให้นิ่งนิ่งแล้วสุขใจในใจฉัน ใ, นในใจฉันฉันมีความสุข ใช่ไนิ่งไม่ใป่นิ่ ง, งเฉยชาแต่นิ่งแบบมีความสุขมีอะไรมีความสงบมีความไม่หวั่นไหวจะนิ่งนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในท้องทะเลหรือทุ่งหญ้าหรืออยู่ที่ที่ไหนที่เมฆจะนิ่งอยู่ที่ไหน พอตุอบอกคนดีที่ไหนคนดีลักทีมาหาเราใช่ไหมก้อนนิ่งที่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเราใช่ไหมมันนิ่งไม่ได้อยู่ที่ภาพพยนต์แต่อันนี้ก็ให้ถูเนาะมันก็เป็นเรื่องที่หน้ารักเรเห็นว่าตัวนิ่งก็คือตัวที่มีสติตนี่แหละมันนิ่งคือไม่หย่นไหวจะลมฝนจะพายุจะแดดออกจะเปิดขึ้นขนาดไหนตัวนิ่งก็ไม่หย่อนไหวเป็นสับสุข ไปกับทุกใช่ไหมมันรอยอยู่แมนะ่น้ําจะท่วมนะ้าจะท่วมกรุงเทพน้ำจะท่วมนะโลกตัวนิ่งก็ไม่หวั่นไหว <c oughs> ให้หวันไหวไปเสียใจไปเรียกว่าไปทุกข์ใจมันก็รอยนะก็คือนวะจิตใจแต่กายที่อาจจะเก็บของแก้ไขไปนั่นก็เป็นธรรมดาแต่ใจรอให้มันนิ่งเวลาเจอใช่หมบางทีเจออารมณ์แต่เจออารมณ์ เจอคำวินพาเจอคำสรรเสริญเราก็ดูใจเรานิ่งได้ไหม <c oughs> เราตั้งใจให้นิ่งแบบนี้แหละแต่บางทีเาอาจจะไม่นิ่งนิ่งนิ่ง <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเรายังถึงเป็นตัวนิ่งเป็นที่ก็ขอให้เป็นเหมือนคล้ า, ายคล้ไปคล้ายต้นไม้นะต้นไม้โดนพายุพัดมา ก, ก็เองไปบ้างก็ ป่านมาก็ตั้งกลับคืนมานะลงพัดมาเอกพระเองได้บ้างก็กลับคืนมาได้อันนี้ก็ตัวนิน่งเหมือนกันถ้ารากของเราหยั่งลึกลงไปแล้วก็มั่นคงมากใช่ไหมทุอรศจิตใจใมันนิ่งเชนั้นแล้วก็ที่สําคัญความนิ่งไม่ใช่ว่าเหมืนที่มาถามไม่ถามไม่เล่นนะเรายิ้มให้กับตัวนิ่งที่พระกุญญไว้ถ้าเราดูไปแล้วเรายิ้มนะนี่ก็ ใช่ได้นะไม่ใช่ดูแล้วมันยังรรยทำใจให้เฉยแต่นิ่ง ไ, <c ười> ไม่ใช่เฉยนะแต่นิ่งไม่ใช่เฉยแบบโขมไปมันสุขเหรอโขมไปไหมครับเราสุขก็รู้ว่าสุขนะดูแล้วก็ดูดเด็กมันน่ารักก็มีความสุขก็ยิ้มกับเด็กได้นะดูประตูก็น่ารักสนุกดีก็ยิ้มให้กับเขาเราก็ได้นะธรรมดาเห็นคนอื่นก็น่าสงสารน่าช่วยเหลือก็อาจจะมี จิตใจเมตตากรุณาไปด่วยเสดใจตัวสั่งกามันนิ่งอยู่แต่ภายนอกมันะทำไปเนี่ยสภาวะตัวนี้มีความสุขมีความเปิดบานอ่าแล้วก็มีความมั่นคงในจิตใจไปเราปฏิบัติทำสังเกตตัวนิ่งตัวนี้มีไหมตัวนิ่งตัวนี้ในใจมันมีนะกลับมาดูให้ใจนิ่งแบบนั้นแล้วก็ใจตัวนิ่เนี่ยคือภาษามัทธิภาษาสามารถเรียกว่าจิตพุทธะก็ได้ ตัวที่ว่าจิตพุทธรู้ตื่นเบิบานเราสวดมนต์ น, น, นะนะักพุทโธเนี่ยพุทธคือจิตที่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานนคือตัวนิ่งหนะัก็ให้ดูวิชานแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวใจของเรานาะนะ่ะให้ตาตัวนิ่นไปนะ่ะมีมากก็ายาังก็สังเกตเลยเนาะแต่แท้จริงแล้วนะ่ะตัวนิ่งมันมีอยู่แล้วนะเป็นแต่บางทีเราลืมก็ไปเฉยๆนิดหน่อย เดี๋ยคเห็นเห็นเันิ่งลึกซึ้งนิ่งไปกับ น, นี้ก็ก็แอดเปลี่ยนกันนะมีไห ม, อมแอะนาหน่อยหนูเห็นตัว น, นิ่งแบบไหนบ้างมีปอ <c oughs> ไหนแล้วเนี่ยอ้าปอสอ ง, อสองอดีแล้วมีปอสี่หรือเปล่าใช่ไห ม, ไมปอสามอ๋อยังไม่ขึ้นหรอ ปอสามแต่ปีที่แล้วนี่ยังไม่หมดเติมเนาะล้วก็ก็จํำผิดเนาะแต่ปีที่แล้วปอสามปีนี้ก็ปอสามอยู่ดูเนาะจะดูแล้วง่วงไหมไอ้ดูแล้วง่วงนอนง่วงแบบอ่า ดูแลต้องตื่นบบดฟนนะตื่นปนแต่ไม่เป็นไรยู่ทีก็ม่วงก็ห้างไม่ได้นะมันห้างไม่ได้แล้วก็ดูมันเดินไปนะเราเดินจังคงกันเนาะเดินจมคองกันบาทีเออนั่งก็ปวดที่ไหน